สามสิบห้าที่สนามบินไปดิลเลคอมะดิฉันขอจองเที่ยวบินไปเอเทนค่ะ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหมคะ Is dit een directe vlucht? ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ค่ะ Bij de venster, niet roken alsjeblieft? ดิฉันขอยืนยันการจองค่ะ Even graag mij bespreken bevestig. ดิฉันขอยกเลิกการจองค่ะดิฉันขอเปลี่ยนการจองค่ะเที่ยวบินไปโรมเที่ยวต่อไปออกกี่โมงคะวันนี้คือต่อ ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหมคะออสการ์ตสต์ปลั๊กเบสเกตบอลไม่เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้นคะ่ะเนียออนเซนิตเสต์ปลั๊กบสเกตบอลเราจะไปถึงเมื่อไหร่คะวันเย็นหลังตรงส์ เราจะไปถึงที่นั่นเมื่อไหร่คะ Vanier soll n s d o r t h e n รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไหร่คะ Vanier ist d a r t ein Bus nadi m e s s t a d นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะ Ist r Gepäck? นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหมคะ นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหมคะดิฉันสามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไหร่คะยี่สิบกิโลกรัมอะไรนะ แค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือคะ What n e t u n t e r k s ก a r u n ไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด